จเจรินสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปอาวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสารานิยธรรมหกประการคําว่าสารานิยธรรมก็คือทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกนึกถึงกันนทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้เราได้คิดถึงกันนึกถึงกันเรียกว่า สารานิยธรรมมีอยู่หกอย่างคือหนึ่งเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยวขวนขวายกิจธุระของเพื่อนด้วยกันด้วยกันมีความพยาบาลพิสุไข้เป็นต้นชื่อว่าตั้งกิจประกอบด้วยเมตตาประการที่สองเข้าไปตั้งวจัจกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสามเณร ทั้งต่อหน้าและรับหลังคือช่วยขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนด้วยกันทางวาจาเช่นกล่าวคำสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาประการที่สามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิสุสัมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันประโยชน์แก่กันและกันประการที่สี่แบ่งปันลาบที่ตนได้มาแล้วโดยชอบธรรม ให้แก่เพื่อนพิสุสัมเนนไม่หวงไว้บริโภคจําเพาะผู้เดียวประการที่ห้ารักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพิสุสามเนนอื่นๆไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นประการที่หมีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิสุสามเนนอื่นไม่วิวาทกันกับใครๆเพราะเหตุมีความเห็นผิดกันทำหกอย่างนี้ทําผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่น เป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่มีว่าซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันฉะนั้นอนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุรชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายควรจะประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จึงได้ชื่อว่าทําเป็นที่ตั้งแห่งความให้ร ะ, ะลึกนึกถึงกันบุคคลใดถ้าได้ประพฤติทำทั้ง6ประการ น, นี้บุคคลผู้นั้นก็อย่อมจะเป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป ยังในข้อแรกที่บอกว่าเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสมัมเนนทั้งต่อหน้าและลับหลังคือช่วยขวนขวายกิจุระของเพื่อนด้วยกายมีการพยาบาลพิสุไข่เป็นต้นอันนี้แหละทำให้คนเรานั้นเกิดความนึกถึงกันนักเรียนนักศึกษาลงนึกถึงทีว่าคนเราทุกคนนี่ถ้าหากว่ามีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนะ แล้วก็มีการขวนขวายช่วยเหลือกิจธุระกันนะทำอย่างนี้ทั้งต่อหน้าได้รับหลังนะต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็ทําอย่างนั้นแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เพื่อนที่เราเคารพ ก, กันนั้นก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความรักด้วยความสนิทสนมไม่มีความลังเลสงสัยว่าเอ๊ะนี่จะมาะรูปไหนจะมาแบบไหนจะมาท่าไหนจะมาเหลี่ยมไหน ไม่หรอกเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาก็คือประกอบด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าพระพิสุสัมมณเณรประพฤติกันอย่างนี้แน่นอนที่สุดเวรภัยก็จัะไม่มีนะไม่มีเลยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพิสุสัมมณเณรทั้งต่อหน้ารับหลังตอนหน้าก็เราให้ความเคารพรักแต่รับหลังกลับติดฉินนินทา แน่นอนที่สุดอย่างนี้มันก็ไม่เจริญอย่างนี้ใครจะมานึกถึงนะไม่อยากนึกถึงถ้าไปพูดถึงก็มีแต่คนสาบแช่งมีแต่คนดูด่าว่ากล่าวนะไม่ปรารถนานะคนเราเหมือนกันนะดังนั้นญะาติโยมควรจะเอาสิ่งเหล่านี้และไปประพฤติปฏิบัติได้ว่าเราอยู่ในครอบอครัวเดียวกันก็ควรตั้งความปรารถนาดีต่อกันทั้งต่อหน้ารับหลัง หรือว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ในหมู่เดียวกันอ่าให้กว้างออกไปก็คือว่าเป็นคนตําตหมู่บ้านเดียวกันตําบลเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันก็ควรตั้งความปรารถนาดีให้กว้างออกไปอีกก็คือว่าในฐานะเราเป็นคนไทยด้วยกันอยู่ในเมืองไทยได้อาศัยร่มบา ร, รมีธรรมขององค์สมเด็จตสามมาัสามาสัมพุทธเจ้าและได้พึ่งพระบรม มาโพธิสมภารเจ้าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏได้ถือว่าเป็นร่มเกล้าของชาวไทยนะอันนี้แหละก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจนะมีความสุขกายสบายใจเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เพื่อนร่วมชาติของเราต้องตกทุกข์ได้ยากหรือในข่าวที่เกิดอุทกภัยเกิดอักคีภัย เกิดวาตภัยเกิดโจรภัยทางต่าสิ่งต่างๆนานาเหล่า น, นี้เราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ปรารถนาดีต่อกันแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ควา ม, มเดือดเนื้อร้อนใจอ่าเมืองไทยของเราก็ลุกเป็นไฟสังคมของเราก็ไม่ปกติสุขมีแต่ความยุ่งเหยิงระ ส, สับระ ส, ส, สายฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา คืหมายถึงว่ามีการช่วยเหลือกันทางกายนะยาเบียดเบียนกันยาทําลายล้างผลันกันอยาคิดอาฆาตมาร้ายกันยาเบียดเบียนกันยาทรมานกันนะอันนี้ถือว่าเราไม่ตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตายิ่งไปกว่านั้นเราจะต้องเคารพสิทธิของกันและกันไม่ลักของกันและกันไม่ขโมยกันไม่ชกชิงวิ่งราวกันแม้ว่าสิ่งนั้น จะไม่มีคนเห็นเราก็ไม่ทำนะเราก็ไม่ทำอย่าว่าแต่ไม่ทำเลยแมย้แต่คิดก็ยังก็ยังไม่คิดนะอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเราเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตานะแล้วก็ช่วยวขวนขวายในกิจธุระของเพื่อนกันเละกันเราอยู่ในบ้านาพ่อแม่ก็ช่วยกันพี่น้องก็ช่วยกันอา้าวอันนี้ในครอบครัวทีนี้ก็กว้างออกไปอีกเราอยู่ในหมู่เดียวกันเราต้องช่วยกันคนทีอยู่หมู่เดียวกันนะ หากว่าไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่เป็นหูเป็นตากันแน่นอนที่สุดไว้ใจกันไม่ได้เมื่อไว้ใจกันไม่ได้ของคนที่อยู่ในหมนู่นั้นในบ้านนั้นก็จะมีความสงบสุขไม่ได้นะสงบสุขไม่ได้รักษาทรัพย์สมบัติกันไม่ได้ดีไม่ดีก็จะมีการทะเลาะวิวาทกันดีไม่ดีก็จะมีโทษถึงที่สุดก็คือมีการเข้าประหัตประหารกัน อันนี้แหละจะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษ ม, มีแต่ความเดือดร้อนนะก็สร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในสังคมอ่าประเทศชาติฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันว่าในหมู่ของเราบ้านใครจะทําอะไรบางครั้งเขาจะสร้างบ้านใหม่เราก็ไปช่วยขัดอ้าวหรือว่าบางครั้งอเราอยู่ตามชนบทก็มีการทําไร่ทํานาทําสวนคนตามชนบทนั้นก็จะต้องมีการเกื้อกูลกันด้วยการเช่นว่าเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่า อาไปเอาแรงกันาตามชนบทเขาเรียกว่าลงแขกคํานี้ถ้ามาใช้ในเมืองกรุงก็ที่เจริญก็เพี้ยนออกไปนะเพี้ยนออกไปแต่บ้านนอกอาการที่เราไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเอาแรงกันไว้ก่อนเขาเรียกว่าการไปลงไปมีการลงแขกกันนะมีการลงแขกกันฉะนั้นนี่แหละคนบ้านนอกจึงได้อยู่กันแบบซื่อๆนะอยู่กันแบบซื่อๆไม่มีการเอารัดเอาเปรียบต่อหน้าอย่างหนึ่งดับหลังอย่างหนึ่งนะแต่ว่า หากว่าเราทุกคนได้มาปฏิบัติอย่างนี้นะช่วยเหลือกันเครือกูลกันในกิจุระที่จะพึงกระทําเช่นว่าบ้านใครน้ําจะท่วมอ่าเราก็ไปช่วยกันป้องกันอบางคนนี่บางครั้งก็ทั้งทั้ที่เขานี่ต้องลําบากเดือดร้อนมากบ้านน้ำน้นําจะท่วมเนี่ยถ้าหากว่าเราไปช่วยเขาปิดกั้นเนี่ยน้ํามันก็คงไม่มาถึงบ้านเราแต่พอเราไม่ช่วยเขาปิดกันเอาน้ำมันก็เลยท่วมบ้านเราด้วยพราะเนิรดร้อนไปด้วยแล้วก็ดีไม่ดีก็ไปอิจฉาเสอยเขาไปด่าเข า, า, เขาหาว่าไม่รู้จักเปิดรู้จักกัน้น นี่แหละเพราะเราเป็นคนนิ่งดูได้นะฉันก็บอกว่าเกิดเป็นคนแล้วอย่าอยู่ดูได้อย่าเป็นคนใจไม้ไส้ระกรรมไม่ดีคนใจไม้ไส้ระกรรมนั่นแหละคือคนเห็นแก่ตัวนะคนไม่เอาพวกเอาพ้องไม่เอายติพี่น้องคนอย่างนี้ก็คือว่าตายไปแล้วก็ไม่มีใครมาเผาศพนะไม่อยากมาเผาศพเพราะว่าเป็นคนไม่เอาไหนไม่เอายติไม่เอาพวกเอาพี่น้องหาคนหามศพก็ไม่ได้หาคนเผาผีก็ไม่ได้ ฉะนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันยิ่งในายามที่เพื่อนพิสุสัมเนรเจ็บปวดป่วยไข้เราจะต้องช่วยดูแลให้มากนะข้อนี้สําคัญมากคือคนที่เจ็บปวดป่วยไข้นั้นถ้าหากว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือแน่นอนที่สุดตัวเองลําบากยิ่งเราเป็นพิสุสัมเนรนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เรามาอยู่รวมกันหลายพ่อหลายแม่ร้อยพ่อพันแม่เรามาอยู่รวมกัน ฉะนั้นเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเจ็บปวดป่วยไข้เราจะต้องช่วยเหลือกือ้กูลกันอาถามทุกข์สุขเด็กกันอ่าปวดมากไ่าแล้วก็ช่วยพาไปหาหมอหรือว่าไปเอาธุระไปซื้อหยกซื้อยาให้หรือบางครั้งก็ต้องนวดเฟ้นให้หรือต้มน้ําร้อนหรือว่าหุงข้าวอะไรก็แล้วแต่นหละอย่างนี้แหละอจะเท่ากับว่าเรานี้เป็นการให้ชีวิตกับคนที่เจ็บปวดป่วยไข้ คนที่เจ็บปวดป่วยไข้นังหนักก็เหมือนกับคนที่นอนรอความตายดันั้นคนที่นอนรอความตายถ้าได้มีใครไปช่วยพยาบาลช่วยเหลือเกื้อกูลแน่นอนที่สุดเขาจะรู้สึกสุขใจสบายใจแน่นอนที่สุดเขาจะต้องนึกถึงพระคุณของผู้นั้นอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นด้วยเหตุอันนี้แหละจึงได้มีพระวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์อนุญาตไ้ว่าเมื่อเวลายามที่พระภิสุสมมเนรเจ็บปวดป่วยไข้นั้นก็ให้ สุภาพสตรีคือผู้หญิงนี้จับต้องได้ถ้าหากว่าจับต้องไม่ได้ก็การพยาบาล น, นั้นถ้าหากว่าถ้าไม่มีเพื่อนตะด้วยกันหรือไม่มีผู้ชายอยู่ก็จะทําให้ลําบากผู้ที่เจ็บปวดปวดนน่วยไข้น้อยก็อาจจะมากไอ้ที่มากก็อาจจะตายเลยก็ได้ฉะนั้นจึงมีข้อยกเว้นว่าให้ผู้หญิงจับถูกต้องได้รักษาพยาบาลได้ฉะนั้นตามโรงพยาบาลก็เราเห็นว่าเขาได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะมองเห็นแล้วว่า ถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามทุกยากก็ดีในยามมีสุขก็ดีแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เฉลี่ยความสุขให้กันยิ่งในยามเจ็บปวดปว่วยไข้ก็เอาใจใส่ดูแลกันช่วยกันรักษาพยาบาลช่วยกันเอาเป็นทุระในการไปพาไปหาหมอพาไปโรงพยาบาลหรือว่าซื้อหยกซื้อยาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดอาหารการกินให้ แน่นอนที่สุดอย่างนี้จะทําให้เรานี้นั้นมีแต่ความนึกถึงกันมีแต่ความรักปรารถนาดีต่อกันสันติสุขจะเกิดขึ้นในหมู่พระภิกษุสามเณรถ้าญาติโยมนำไปประพฤติก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ทุกลมหายใจประการที่สองให้เราเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือว่าช่วยขวนขวายถูก เพื่อด้วยวาจาเช่นกล่าวคําสั่งสอนเป็นต้นด้วยจิตเมตตาอันนีแนนนน้แน่นอนที่สุดนะแน่นอนที่สุดพูดง่ายๆพูดสั้นๆก็คือว่าสารานยธรรมเนี่ ย, ยให้เราทุกคนเข้าไปตั้งอ่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตานะที่ประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีทั้งต่อนหน้าและรับหลังอช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วเราจะมีแต่ความสุขความจเจริญ นะอะไรที่เราควรจะแนะนำเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนอว่าควรทำอย่างนั้นดีนะอย่างนั้นทำไม่ดีนะเนี่ยอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากไม่ใช่เขาเราติเพื่อทำลายเราติเพื่อก่อนะเราติเพื่อก่ อ, อมีคำคลองบทหนึ่งบอกว่าติเพื่อก่อต่อตั้งติช่างเถิดนะเขาเรียกว่าถ้าติเพื่อก่อแล้วก็ติเถิดนะแต่ถ้าติเพื่อทำลายแล้วก็อย่าตินะไม่ดี แต่เพื่อทำลายนี right? ่ก็คือเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทฉะนั้นเราจะต้องตักเตือนกันได้เราอยู่ด้วยกันเป็นพระภิกษุสามเณรอ่าบอกแล้วว่าเราอยู่ห่างพ่อห่างแม่ก็เหมือนกับไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะต้องอ่าทำหน้าที่ของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันไม่มีความเมตตากันไม่มีการอบเอุ่นเรกันไม่เป็นมิตรที่ดีกัน แล้วจะมีความสุขอย่างไรเล่าแล้วประชาชนเขาจะมีศรัทธาประสาทความเชื่อความเลื่อมใสยอย่างไรเล่าฉะนั้นใครเขาจะใส่บาตให้เรากินฉะนั้นเราจึงจะต้องมีคุณงามความดีต่อกันอ่าสมัครสมานกลมเกลียวสามัคคีกันแน่นอนที่สุดธุระในทางพุทธศาสนาก็จะเจริญงอกงามญาติโยมเข้ามากราบมาไหว้ก็ดีใจปลื้มใจสุขใจนะฉะนั้นขอให้เรานั้นจงขวนขวายธุระของเพื่อนด้วยวาจาที่สุภาพนะ พูดใหดีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดคําจริงพูดคําสัตย์พูด ค, ดคําคอ่อนหวานาพูดแล้วก็ประกอบด้วยเมตตานะพูดให้ถูกกาลเทศะแน่นอนที่สุดจะเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์มากประการที่สามก็ที่บอกให้เราเข้าไปตั้งมโนกรรมก็คือกายวาจาใจอในเพื่อนวิสุทธิมเณรทั้งต่อหน้ารับหลังอคิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่กันแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าเราทุกคนนั้น มีกายวาใจที่ดีต่อกันทั้งต่อหน้ารับหลังไม่คิดอิจฉาเสยยกันไม่คิดเอารัดเอาเปรียบกันสันติสุข ก, ก็เกิดขึ้นมากนะเกิดขึ้นมากจริงๆแต่เราอยู่ด้วยกันแล้วมาอิจฉาเสียกันมันจะมีความสุขได้อย่างไรเราเราเป็นพี่น้องกันแล้วก็มาตีกันมาทะเลาะวิวาทกันแล้วใครเขาจะนับถือเรานะใครเขาจะนับถือเราใครเขาจะเอาอะไรมาให้เรากินใครเขาจะเอาอะไรมาให้เราใช่ฉะนั้น เราจะต้องสมัครสมานสามัคคีกันการที่เราสมัครสมานสามัคคีกันนั่นเป็นเครื่องวัดว่าเรามีธรรมะเรามีศีลเรามีธรรมนะเราจึงสมัครสมานสามัคคีกันปรารถนากลมเกลียวซึ่งกันและกันอารมุ่มอารมวยกันแน่นอนที่สุดพวกเราทํากันได้อย่างนี้เราจะมีแต่สันติสุขใครจะไปทางไหนก็เจะนึกถึงกันนะนึกถึงกันเห็นเพื่อนกลับมาก็อุย้ยดีอกดีใจเวลาเพื่อนจะจากไปก็ ให้ลำพึงลำพันนะเสียดายอเสียดายอแน่นอนที่สุดญาติโยมเหมือนกันถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ด้วยกายด้วยวาจาและใจที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้ารับหลังสันติสุขจะเกิดขึ้นมากทั้งในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติขอให้ท่านต่้งหลายจงนําไปประพฤติปฏิบัติเถิดทาอย่างนี้จะไม่มีเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวประการที่สี่ที่บอกว่า แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทําให้แก่เพื่อนพิะสูติสมเณรไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้สําคัญเพราะว่าพระสูติสมเณรที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นาลาบจะเกิดขึ้นเสมอกันไม่ได้นะอผู้ที่มีความรู้ดีผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติธรรมอบรมสั่งสอนประชาชนมากอาจเจริญด้วยก็จ ะ, จะเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญนะแต่ว่ายังเป็นผู้น้อยอ ย, อยู่ไอลาบยศสุขสรรเสริญมันก็น้อยลงไปด้วย นะฉะนั้นคนที่มีลาบมากมีโอกาสมากที่คนเคารพนับถือมากแน่นอนที่สุดจะต้องเฉลี่ยความสุขของตัวเองให้กับผู้น้อยหรือว่าแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามีลาบน้อยเราก็ควรเฉลีย่ยนะควรเฉลีย่ยควรอบเอื้อเกื้อกูลให้เขาบ้าง อ, อันนี้แหละจะได้ชื่อว่าเรานั้นรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องแม้ว่าผู้นั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะจะเกิดอยู่ในถิน่นใดภาคใดแต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดเลย นะจะเป็นพร ะ, ะระดับไหนก็แล้วแต่นะมีศีลเท่ากันหมดนะมีศีลเท่ากันหมดตั้งแต่สงสุดตาสุดนี่นะตั้งแต่ขอประธานโทษตั้งแต่องค์สมเด็จพระสังกราชมาจนถึงพระบวชได้ในหนึ่งชั่วโมงนี้ถือว่ามีศีลเท่ากันหมดดังนั้นเราต้องรักนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะอย่าอิจฉาอย่ากันอย่าดูด่าว่ากล่าวกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าปัดแข่งปัดขากันอย่าคิดฆ่ากันเลยนะอย่าให้แตกสามัคคีกันเลยศาสนาก็ จะอยู่ไม่ยืนยาวและยิ่งไปกว่านั้นก็จะเป็นที่ติฉินินทาของฝ่ายตรงกันข้ามได้เอาให้เอาทําให้เขาเอาไปเป็นที่โจมตีเป็นเครื่องหากินเป็นเครื่องมือหากินของเขาหลังขอให้เขามาร่วมแรงกายแรงใจกันพันธุ์ ก, กาลังกันนะศึกษาเลาเรียนปฏิบัติทำกันอช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีลาบก็แบ่งปันกันนะมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากอเช่นว่ามีจีวรใช้มากคนที่เป็นนักเทศนะัก อะไที่ญาติโยมได้ถวายบ่อยๆก็เอาไปแบ่งให้กับคนน้อยบ้างนะไายอาหารมาก็เฉลี่ยกันบ้างแม้จางนี้จะมีความสุขมากท่านพระพุทธองค์จึงบอกว่าในกาศีระพะเตสุขังกินคนเดียวไม่สุขนะกินคนเดียวไม่สุขนะคือคนเรานั้นมันต้องเฉลี่ยกันอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลงนึกดูคนเรานะถ้าหากว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเห็นแก่กินเป็นคนหวงแน่นอนที่สุด จะมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากอย่างไรพอได้ของกินมาก็กลัวคนอื่นจะเห็นกลัวนะคนอื่นจะเห็นก็เป็นทุกข์แล้วนะเพียงแต่เขาเห็นของเราเนี่ยรู้สึกเราเป็นทุกข์แล้วเราไม่อยากให้ใครเห็นเพราะว่าเมื่อเขาเห็นแล้วเรากลัวว่าเขาจะขอจะขอลาบของเราจะขออาหารของเราจะขอของกินของใช้ของเราเราก็เป็นทุกข์เราก็ต้องคอยหลบคอยซ่อนเอามาเก็บไว้มันก็เป็นมลนทินนะเพราะการเป็นพิสุสัมเนนนั้นจะสะสมอะไรนั้นมันไม่เหมาะไม่ควร นะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามพระธรรมในเมื่อเราทำอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดเราจะมีความนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลานะถามถึงกันตลอดเวลานะมีอะไรกินก็แบ่งกันใช้นะนะมีอะไรใช้ก็แบ่งกันไปแบ่งกันใช้สอยแม้ยังนี้สันติสุขเกิดขึ้นมาก <c oughs> คนที่มีความเห็นแก่ตัวมากๆสะสมของกินของใช้มากๆแน่นอนที่สุดนอกจากจะ อ่าเป็นทุกเป็นโทษแล้วก็ถือว่าผิดศีลผิดธรรมนะผิดศีลผิดธรรมในทางพระพุทธศาสศาานาก็ตาหนิไม่ยกย่องนะไม่ยกย่องคนที่หวงลาบอ่าหวงของกินของใช้อ่าดีไม่ดีตายไปก็จะไปเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกนะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปอันนี้ก็มีเยอะนะอันนี้ก็มีเยอะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมาอาแบ่งปันลาบที่เกิดขึ้นนะให้แก่กันและกันในเพื่อนพิสุสมัมเณี แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญญาติโยมที่ได้มาพบเห็นก็จะมีแต่ความเจริญฉะนั้นญาติโยมเหมือนกันอใครมีใครรวยมากก็แบ่งความรวยแบ่งความสุขไปให้กับคนที่ยังยากจนบ้างนะคือไอ้คาว่ารวยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าคนเราจะไม่พอกันนะเขาเรียกว่ามีไม่พอพอไม่มีฉะนั้นก็ให้เราได้มาพิจารณาว่าคนที่จนกว่าเราก็มีอีกมากเมื่อเรา ยังมีพอกินพอใช้ก็ช่วยเหลือคนที่จนกว่าเราบ้างที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราเช่จนจะเป็นว่าในยามที่เขาเกิดความายากขับแค้นด้วยการถูกไฟน้ำท่วมกว็ดีถูกไฟไหม้ก็ดีหรือถูกลมพัดก็ดีหรือด้วยเหตุการณ์ต่างๆ อ, อันนี้เราต้องช่วยกันแต่อันนี้พูดถึงคนไทยแล้วรู้สึกว่าไม่แลงน้ำใจเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยครอบครัวบางคนมีลูกมากนะแล้วก็ ต้องมีอันเป็นไปต้องพอ่อต้องตายหรือแม่ต้องตายแล้วเห็นว่าหนังสือพิมพ์เขาลงประกาศขอความอุปถัมภ์ขอความช่วยเหลือก็เอไม่นานก็รู้สึกว่าจะได้ความช่วยเหลือเกื้อกูลจากน้ําจิตน้ําใจของคนไทยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยแต่ว่าช่วยบ่อยๆเขามันก็มากนะจากห้าคนเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไปเนี่ยมันก็มากก็ทําทให้เท่ากับว่าเราไปต่ออายุให้เขาไปช่วย ให้เขามีชีวิตยืนยาวต่อไปไปช่วยให้เขาเป็นกําลังสําคัญกับประเทศชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์เองถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลือเขาแน่นอนที่สุดเขาก็อาจจะทําในทางที่ชั่วเพราะคนเรานั้นเมื่อมันเข้าตาจนเนื้อจนตรอกเขาแล้วมันก็อย่างว่าไม่ได้โดยสุจริตก็เอาทุกจริตเขาบอกว่าเมื่อความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ปิดธรรมะปิดคุณธรรมความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหาด้วยวิธีทุกจริตนั่นเอง ฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะนําเอาไปประพฤติปฏิบัติในการเรื่องแบ่งลาบกันแบ่งของกินแบ่งของใช้กันเฉลี่ยกันก็จะเกิดสันติสุขฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ในทางข้าราชการพวกหน่วยสงเคราะห์ต่างๆหรื อ, อท่านเคยหาบดีต่างๆก็รู้สึกว่าจะมีการแบ่งปันลาบกันเป็นอย่างดีมีการช่วยเหลือเอาของไปแจกพวก ตามชมนบตตามชายแดนหรือว่าแจกทหารตำรวจที่อยู่ตามชายแดนปกป้องประเทศชาติได้รับความทุกข์ความลําบากหรืออย่างเช่นเอาเสื้อผ้าไปแจกกับพวกนะักเรียนคนยากคนจนแม้อันนี้มันได้ประโยชน์มากจริงๆนะได้ประโยชน์มากจริงๆคนที่เขากำลังมีความทุกข์นะเมื่อใครหยิบยืน่นเอาความสุขไปให้เขานี่เขาจะนึกถึงเขาจะจดจําไปจนวันตายนะจำไปจนวันตายนี่แหละจึงบอกว่าสาราวิยธรรเนี่ยเป็นธรรมะที่ตั้ง แห่งความให้ระลึกนึกถึงกันอยู่ทุกลมหายใจนะประการที่ห้าให้เรารักษาศีลเสมอกันกับเพื่อนพิสุสามเณรอื่นๆไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นคือหมายถึงว่าเราเป็นพิสุก็ต้องมีศีลของพิสุศีลของพิสุก็มีอยู่สองรอยิบเจดข้อศีลของสามเณรก็มีสิบข้อเราอยู่ด้วยกันถ้ามีศีลไม่เสมอกันเราก็มักจะติชินนินทากันนาติชินนินทากัน ฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆแนะนําค่อยๆพูดจากันด้วยเมตตาเราก็จะอยู่กันด้วยความผาสุขเราก็อยู่กันด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าเรามีการติเตียนกันมากอิจฉาเสียกันแน่นอนที่สุดเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็มองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ติดมันจะมีสุขได้อย่างไรมันก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวสู้เรามาหันหน้าร่วมกันร่วมแรงกายแรงใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแน่นอนที่สุดเราจะมีความสุขมากฉะนั้นอศีล น, นี่แหละเป็นเหตุที่ให้เกิดความสามัคคีนะเรียกว่าศีล ส, สามั ญ, ญาตานะเรามีความเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยความประพฤติเสมอกันด้วยความคิดเห็นแล้วแน่นอนที่สุดเราจะอยู่กันที่ไหนก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละภาคแห่งคนตนาําบลใดไกลกันสุดขั้วขอบฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า เรามีศีลเท่ากันแล้วแน่นอนที่สุดเราจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีความเจริญก็คือจะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันนะไม่มีการาแข่งแย่งกันไม่มีการอิจฉาเสียกันตรงกันข้ามถ้าหากเพราะว่าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะมีการแข่งแย่งกันมีการเบียดเบียนกันอาสารพัดเอามาใส่ร้ายป้ายสีกันการใส่ร้ายป้ายสีกันก็คือการสาดน้ plain, ํารดกันการสาดโคลนรดกันก็เปื้อนทั้งคู่นะเปื้อนทั้งคู่ ไม่ใช่ว่าเพื่อนคนหนึ่งคนใดเพื่อนทั้งคู่อฉะนั้นอันนี้แล้วก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพิสุสมัมมณเณรเป็นญาติโยมก็มีศีลห้ามีศีลแปดอยู่บ้านเดียวกันก็มีศีลเสมอกันนะพ่อแม่มีศีลเสมอกันก็อยู่กันย่อมเย็นเป็นสุขนะโลกมีศีลเสมอกันก็อยู่ร่วมกันย่อมเย็นเป็นสุขแต่ถ้ามีศีลไม่เสมอกันแล้วก็มักจะด่าว่ากันนะมีการทูงสูงต่ำต่อยูนะ่ด้วยแน่นอนที่สุดความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นฉะนั้น อข้อที่ห้าจะบอกว่าให้เรามีศีลบริสุทธิ์เสมอกันนะมีก็เรียกว่ามีคุณงามความดีพอๆกันแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เราต้องนึกถึงกันอยู่ทุกลมหายใจประการที่หกคือข้อสุดท้ายให้เรามีความเห็นร่วมกันกับเพื่อนพิสุสา ม, มนเณรอื่นไม่วิวาทกับใครๆเพราะเหตุอที่มีความเห็นผิดกัน ข้อนี้สําคัญเถ้าเราเป็นพระภิสุสามเณรถ้ามีการทะเลาะวิวาทกันแน่นอนที่สุดมันก็เป็นภัยกระทบกระเทือนถึงจะถึงประชาชนส่วนใหญ่ที่เคารพรักนับถือเราเพราะว่าพระสงฆ์องค์เ น, นนี่ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจของอชาวบ้านอของญาติโยมฉะนั้นเราเป็นพระสงฆ์องค์เนรแล้วเราก็จะต้องมีความคิดเห็นร่วมกันถึงข่าวทํางานก็พร้อมใจกันทําถึงข่าวเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิก เรื่องการประชุมก็เพราะเพียงการประชุมแน่นอนที่สุดมีอะไรก็หันหน้ามาปรึกษาหารือกันว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํำนะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันองค์นั้นทําอย่างนี้องค์นี้ทําอย่างนั้นแน่นอนที่สุดอย่างนี้เราจะมีแต่ความเจริญอเมื่อเราเมื่อศาสนามีความเจริญแน่นอนที่สุดประชาชนก็มีความสบายกายสบายใจนะมีความสบายกายสบายใจหน้าเคารพหน้ากราบไหว้น่าเลื่อมใสหน้าบูชาไอ้ลาบยศ สกสาระต่างๆก็จะหลั่งไหลมาถีมาครับคนที่มีความคิดเห็นเสมอเหมือนกันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีการทะเลาะวิวาดกันเพราะว่าการทะเลาะวิวาทกันนั้นนำมาซึ่งความหายนะนำมาซึ่งความ เ, าเสียหายทั้งตัวเองแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมถึงสังคมประเทศชาติอ่าฉะนั้นอันนี้ก็มีตัวอย่างที่ให้เราเคยได้รับรู้รับทราบมาหลายครั้งแล้วนะฉะนั้น ขอให้เราทุกคนจงตั้งกลยาณนะจิตคือมีเมตตาในทางกายทางวาจาและทางใจในเพื่อนพิสุสามมาเนนด้วยกันทั้งต่อหน้าและห ล, ลังเราก็จะมีแต่ความสุขและยิ่งไปกว่านั้นก็ให้เราแบ่งลาบที่แต่และคนได้มาโดยชอบทำให้กับเพื่อนพิสุสามเนนและให้เรานั้นรักษาศีลบริสุทธิ์เสมอเหมือนกันในพิสุสามเนนและให้เรามีความเห็นร่วมกันในเพื่อนพิสุสามเนนไม่เลือกว่าท่านจะมีเชื้อชาติวั น, นะอะไรอยู่ ภาคไหนประเทศชาติใดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นทำหกอย่างนี้ทําผู้ประพฤติให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงกันฉะนั้นผู้ศึกษาก็พึงผู้ศึกษาหรือผู้ที่ได้ฟังก็โปรดเข้าใจว่าบุคคลใดประพฤติทำหกประการ น, นี้ผู้นั้นก็จะเป็นที่รักของคนทั่วไปเป็นที่รักของคนทั่วไป อบุคคลอ่าเป็นที่รักเป็นที่นับถือของคนทั่วไปและผู้นั้นก็ย่อมจะระลึกนึกถึงเสม อ, อจะร่นระลึกนึกถึงเสมอกันจะร่ำระลึกนึกถึงกันและกันผู้ศึกษาพึงทราบว่าทำหกประการนี้ย่อมให้อานิสงส์หกประการคือหนึ่งเป็นที่รักของผู้อื่นสองเป็นที่เคารพของผู้อื่นสามย่อมได้ความสงเคราะห์จากผู้อื่นสี 4. ไม่วิวาดบาดหมางกับใครๆคห้าความสามัคคีย่อมเกิดมีขึ้น หกมีความเห็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอานิสงส์6ประการเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรแล้วที่ท่านสาธุชนทั้งหลายควรจะประพฤติ ท, ทำหกประการนี้ด้วยก็จะมีแต่ความเจริญจักไม่มีความเสื่อมเลยเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสารานิยธรรมหกประการมาคือทำที่เป็นที่ตั้งให้ระลสนึกถึงกันก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร เจรินสุขท่านสาวทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายทันในลักษุดของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าอายตนะภายในและอายตนะภายนอกควบคู่กันไปคําว่าอายตนะอืคําว่าอายตนะก็แปลว่าการอา ติดต่อนะหรือว่าการเชื่อมต่อนะการติดต่อหรือว่าการเชื่อมต่อนี่คําว่าอาณาจักรที้คําว่าอาณาจักนี้ก็มีทั้งอาณาจักภายในและอาณาจักภายนอกอาณาจักรภายในก็มีหกอย่างก็คือหนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ลิ้นห้ากายหกนะใจนะหรือบางที่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกนะอินทรีย์หกอินทรีย์หกก็คือ เรียกว่าจักขุนซะีอินซีย์คือตาคือจักษุนะ่นะโสตินซีนะคาณินซีอนะในพวกนี้แหละเรียกว่าอินซีหกก็เรียกน่อินซีหกก็เรียกดังนะ น, นั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องต่อเป็นเครื่องเชื่อมกับอารมณ์ที่เป็นพวกเดียวกันเช่นตาพอประสบกับรูปก็นําเอารูปนั้นเข้ามาทีเดียวหูกระทบกับเสียงก็นําเอาเสียงนั้นเข้ามาที่ใจนะ จมูกกระทบ ก, กับเกลื่นก็นําเอาเกลื่นเข้ามาไว้ที่ใจเล่นกระทบ ก, กับรถก็นําเอารถนั้นเข้ามาไว้ที่ใจกายสัมผัสถูกต้องเย็นนอนอ่อนแข็งก็นําเอาสิ่งนั้นเข้ามาไว้ในใจอใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆก็นําเอาสิ่งนั้นเข้ามาไว้ในใจนะ<ม>ก็เรียกว่าเปรียบ อ, อาจารย์นี่เปรียบเหมือนว่ากล้องนะเปรียบมันกล้องถ่ายรูปพอเปิดปากกล้องรูปก็เข้ามาติดอยู่ในแผ่นกระจก นะหรือในแผ่นกระจกหรือเรียกว่าในจอนะมาติดในจออนะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าเพราะเหตุนี้สิ่งเหล่านี้จึงไมีชื่อเรียกว่าอายตนะนะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอานะภายในอนะเพราะเป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่อยู่ในในภายในนะอยู่กับกายภายในอยู่กับกายฉะนั้นจึงเรียกว่าอายตนะหกหรืออินทรียนะ์หกอินทรีย์หกที่เรียกว่าอินทรีย์ก็เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน คือตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายก็เป็นใหญ่ในการสัมผัสใจก็เป็นใหญ่ในการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆทีนี้อาญตนะภายในนี่แหละแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าเราทุกคนได้ทําความอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาญตนะภายในโดยถ่องแท้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในการดําเนินชีวิต ก็จะขอพูดในอาณาภายนอกคู่กันไปอีกอาณาภายนอกก็มีอยู่หกอย่างเหมือนกันคือรูปนะหนึ่งรูปสองเสียงสามกลิน่นสีร่รสห้าโพธิภพนะเรือว่าคืออารมณ์ที่มาถูกต้องกับกายแล้วก็ธรรมก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์หกนะเรียกว่าอารมณ์หกจึงเรียกว่าอาณาภายนอก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของอยู่ภายนอกจากกายและอาณาหกนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์หกนั้นเพราะเป็นธรรมชาติที่น่วงเหนียวของจิตคือสามารถโน้มจิตให้เป็นต่างๆได้และย่อมเป็นเครื่องยูยั่วยวนใจให้ติดพันอยู่เป็นหลุดสายบางเหียนจูงผูกติดพันไปอยู่ในอำนาจอาจให้ทําตามปรารถนาและจูงใจได้จูงใจได้ฉะนั้น อาศัยรูปกระทบกับตาเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบกับหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานะวิญญาณอาศัยรสกระทบกับลิ้นเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐัพพะกระทบกายเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณ อาศัยทำเกิดกับใจเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณนะมะโนวิญญาณคําว่าวิญญาณนี้แปลว่าความรู้แจ้งนะหรือความรู้สึกเกิดระหว่างอายรนะภายในกับอายรนาภายนอกกระทบกันนะกระทบกันวิญญาณหรือสัญญาและปัญญาทั้งสามนี้มีลักษณะต่างกันอย่างไรถ้าจะถามนะถ้าจะถามท่มานผู้ฟังว่าวิญญาณสัญญาและปัญญาเนี่ย มันต่างกันอย่างไรอ่อันนี้บางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันวิญญาณได้แก่ความรู้แจ้งสัญญาได้แก่ความจําได้ปัญญาได้แก่ความรอบรู้คือมีลักษณะต่างกันเพื่อให้ทราบกระจ่างจะยกอุปมาแสดงเช่นตามองไปก็บอาประสบกับกําแพงซึ่งมีสีขาวเข้าก็เกิดความรู้สึกว่าสีขา ว, ขาวอ่าดังนี้ความรู้สึกนี่แหละจัดเป็นวิญญาณนะจัดเป็นวิญญาณ ส่วนต่อไปเกิดความรู้สึกถึงว่าสีขาวนั้นเป็นรูปสีขาวที่เขาฉาบกําแพงความรู้สึกอย่างนี้จัดเป็นสัญญาเป็นสีที่เขาฉาบกําแพงเป็นสัญญาและรู้สมซาบขึ้นอีกว่าตูนขาวนี้เป็นของที่ทำํำขึ้นจากหินหรือเขาหินมาเผาไฟแล้วก็ทบร่อนแล้วก็กรองถึงที่สุดก็คือเป็นสีขาวความรู้สึกอย่างนี้จัดเป็นปัญญา ฉะนั้นจึงบอกว่าวิญญาณก็ดีสัญญาก็ดีปัญญาก็ดีทั้งสามนี้จึงมีลักษณะแตกต่างกันดังได้บรรยายมาฉะนั้นก็ขอขยายความอีกอานิดหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอาณานะภายในกับอาณานะภายนอกพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทุกจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทางหกทางนะเกิดขึ้นทางหกทาง ทางไหนก็คือทางตาหูจมกูกเล้นกายใจนะทุกจะหมดไปก็หมดไปทางหกทางก็คือตาหูจมกูกเล้นกายใจอีกเหมือนกันฉะนั้นอายะนะภายในภายนอกนั่นถือว่าเป็นสื่อที่ชักนําความทุกข์เข้ามานะเป็นตัวนําความทุกข์เข้ามาและก็จะเป็นตัวนําความสุขเข้ามาอีกด้วยทุกแล้วก็เป็นตัวที่จะนําให้ทุกออกไปด้วยนะ ฉะนั้นอันนี้แหละเราควรจะทําความเข้าใจทำความศึกษาให้ท่องแท้ว่าว่าตาหูจมูกล้นไก่ใจนั้นมันมีอิทธิพลอย่างไรนะมันมีอิทธิพลอย่างไรบอกไว้แล้วว่าอญญายะนะภายในบางที่เขาเรียกว่าอินทรี่หกเพราะมันเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ในการดูตานั้นมีหน้าที่ในการดูเรื่องดูนี่ก็ยกให้ตาเจ้าหูมาดูแทนก็ไม่ได้เจ้เอาจมูกมาดูแทนก็ไม่ได้นะ เอาลิ้นมาดูแทนก็ไม่ได้เฉะนั้นมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกิจของมันคือหน้าที่ของตาก็คือดูฉะนั้นการที่เราใช้ตาดูอะไรนั้นเราต้องดูให้เป็นนะตาดูหูฟังนะต้องให้เป็นถ้าไม่เป็นแล้วมันก็เป็นทุกขนะมันก็เป็นทุกเรียกว่ามีให้ไรมีอะไรมีให้เป็นแล้วไม่เป็นทุกนะ้านี้ให้ถูกเราก็เป็นสุขทุกวิถีทางนะ ถ้มีไม่ถูกแล้วก็เป็นทุกทุกวิถีทางฉะนั้นขอให้เรามีให้เป็นดูให้เป็นฟังให้เป็นลมกลิ่นให้เป็นลิ้นลิรดให้เป็นสัมผัสให้เป็นนึกคิดให้เป็นแล้วมันก็เป็นสุขทุกวิถีทางแต่ถ้าเราตาดูไม่เป็นหูฟังไม่เป็นจมูกลมกิ่นไม่เป็นลิ้น้นรดไม่เป็นกายถูกจ้องสัมผัสไม่เป็นใจนึกคิดไม่เป็นมันก็เป็นทุกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอาจารยบอกว่าให้ให้เราสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเล้นเล้มรถกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆต้องมีสติต้องสำรวจระวังว่าตาเห็นรูปก็ต้องให้รู้ว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรรูปผู้หญิงรูปผู้ชายอย่าไปปรุงให้มันเกิดความรักเกิดความชอบความชังรูปสวยก็รู้ว่ารูปสวยรูปไม่สวยก็รู้ว่ารูปไม่สวยทำความรู้สึกไว้แค่นั้น อย่าไปปรุงแต่งให้มันเกิดชอบมันเกิดชังรูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดไม่เลือกว่ารูปนั้นจะสวยหรือไม่สวยโรคนั้นจะขาวหรือไม่ขาวจะดําหรือไม่ดํารคนั้นจะวิกฤตวิการอย่างไรมันก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันนะโดยที่ว่า <c oughs> ให้เราทำความสำคัญว่ารูปนั้นมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปอเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปในที่สุดนี่พิจารณาอย่างง่ายๆอย่างห ย, ยาบๆแต่พิจารณาขั้นในขั้นกลางก็คือให้เราคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่พิจารณาเป็นสามระย ะ, ใ น, ะ, ยะ ใ, นในระยะแรกเราพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปน เกิดขึ้นกับดับไปในระยะที่สองว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในระยะที่สามให้เราพิจนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่ามันมีการเสื่อมสิ้นไปอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นรูปนี่แหละจึงเป็นสภาวะที่พิงชิดหายไปมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่ที่เราไม่เห็นว่า มันเสื่อมสิ้นไปมันเป็นอนิจจงเพราะสันติคือการสืบต่อนาะเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันนี้มาปิดบงังทําให้เราไม่รู้ทําให้เราไม่ทราบนะฉะนั้นเวลาเราจากกันไปนานๆกลับมาเราจึงรู้ว่าโอ้รู้สึกว่าโตไวนะแมนะ่รู้สึกว่าผอมลงนะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นในการเจริญเติบโตแมนะ้แต่ตัวของเรานี่มันจเจริญเติบโตอยู่ทุกๆวินาทีเราก็ไม่รู้ผมมันก็เปลี่ยนแปลงไป อนะฟันมันก็เปลีป่ยนแปลงไปเส้นต่างๆไอ้เส้นเก่าก็ลดไปเส้นใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยนะเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของสภาวะของสังขารเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็ควรไม่ควรติดรูปนะไม่ควรหลงรูปนะเราไปติดไปหลงกับไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารอะไรเอามาเป็นที่พึ่งพาอะไรไม่ได้นะ ถ้าหากว่ า, า ร, รูปนี้มันเป็นที่ตุ่งพาได้แน่นอนที่สุดโรปนี้มันก็ต้องมีตัวมีตนนะถ้ารูปนี้มีตัวมีตนเราก็บังคับได้ว่ามันจะเสื่อมไปนะผมอย่างอกนะอ่าหนังอยเหี่ยวนะตายอย่าฝ้าฟางนะหูอย่าตึงนะฟันอย่าโยกอย่าร้อนนะอย่าหักนะอันนี้เราก็บังคับได้แต่นี่เราบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ได้เพราะมันมันเป็นอนัตตามันฝูนความปรารถนาของเรานะมันสูนความปรารถนาของเรา เราปรารถนาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราขอให้นุมอยู่อย่างนี้มันก็ไม่นุมนะขอให้เราอย่าได้มีโรคมันก็มีโรคขอให้เราอย่าได้เจ็บมันก็เจ็บนี่มันสูนความปรารถนาของเราอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอันนี้แหละถ้าเราได้เข้าใจถึงโูปโดยถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะมีแต่ความเจริญนะพยายาม พยายามวางจิตให้เป็นกลางๆนะว่าต ja <Kah led> <ienia> ัวเราตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นตัวเราตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่มีใครที่แก่แล้วก็ไม่เจ็บไม่ไม่ป่วยไม่มีใครเมื่อเจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่ตายไม่มีนะเกิดแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายนะอันนี้มันเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนานะมัน มันเป็นวัตจักรนะมันเป็นวัตจักรเกิดแล้วแก่แก่แล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วตายตราบใดที่ยังมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดอยู่มันก็ต้องยังเกิดอยู่ต่างแค่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเหตุปัจจัยให้ดีก็ไปเกิดส่งผลในทางที่ดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อ่าก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเกิดเป็นอ่ารูปกระผมอารูปกระผมอ่าถ้าหากว่าหมดเหตุหมดปัจจัยก็ไปเป็นพระอรหันต์อ่าเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่า เป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ดีก็คือไปเกิดในอบัยภะผมอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอาจจะไปเกิดเป็นสักรนรกอาจจะไปเกิดเป็นพวกอสุรกายนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ไม่ดีรลงแต่งให้เราไปในทางที่ไม่ดีไม่งานนะฉะนั้นก็ถ้าเราคิดได้อย่างนี้แน่นอนที่สุดปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในเมื่อตาเห็นรูปนะ เมื่อตาเห็นโรคแล้วเราก็ทำความสำคัญว่าโรคก็สักแต่ว่าโรคไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งไม่จรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจฉะนั้นตาของคนเราเขาจึงเปียบเหมือนงูนะเขาจึงเปียบเหมือนงูเพราะว่า ง, งูนี้ อชอบเข้าในที่รกชอบเข้าในที่โพรงชอบเข้าในจอมปลวกชอบเข้าในที่มืดตาของคนเราเหมือนกันชอบดูในที่มืดชอบดูในที่รกอะไรที่มันมืดๆแล้วรู้สึกว่าชอบมองอชอบมองอยากรู้อยากเข็นเนื้อเกินแต่นั้นสังเกต ด, ดูถ้าเราอยากจะว่าเป็นจริงไหมก็ลองลองดูว่าเขียนจดหมายไปเขียนจดหมายถึงเพื่อนแล้วก็เขียนไปบอกว่าห้ามเปิดหรือว่าบอกว่าเป็นความลับ พอพูดอย่างนั้นรู้สึกเราอยากดูอยากดูไอ้ของที่มันอยู่ในที่ลับที่เราพันเดือดแลวมันมีอะไรนี่เห็นไหมเราอยากดูฉะนั้นคนเราสังเกต ด, ดูชอบดูในที่มืดปอ比如说เช่นว่าตามโรงหนังลรงละครเขาต้องอมีการปิดวิกนะมีทางเข้าทางเดียวทางออกทางเดียวแม้เราแย่งเหยียดเสียกันเข้าไปดูความมืดนะเข้าไปดูความมืดอนะนี่แหละจึงบอกว่าเมื่อเราเข้าไปเราก็ต้องเสียเงินไปด้วยนะเสียเงินไปด้วยแล้วก็เสียงานเสียการเสียงสุขภาพ กินอยู่มันก็อาจจะได้ความบันเทิงเรื่องเ ร, อ ง, เรองใจบ้างอาจจะได้ความรู้บ้างนะแต่ประโยชน์ที่เราได้มานั้นก็คือว่ามักจะเสียไปมากกว่านะฉะนั้นนี่แหละจะบอกว่าตานั้นมันเปรบเหมือนงูนะตาเปรบเหมือนงูนะบางทีพวกเราก็ขอประทานโทษเรียกว่าชอบไอ้เรื่องท้ำมองนะชอบเหลือเกินนี่แหละมันชอบดูไอ้สิ่งที่ไม่น่าดูนะชอบดูในสิ่งที่มันรก ร, ก, รกมืดมืดนเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าตาหาเรื่อง นะเรียกว่าตาหาเรื่องบางครั้งก็เป็นกับตาแตกบางครั้งก็ไปมุดไปมอดไปกระสายไฟอ่าเกี่ยวพันช็อตตายก็มีนะนี่อันนีน้บางคนก็ถูกเขาจับได้ติดคุกติดตารางนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกมาในข้อที่สองที่ว่าหูนะหูก็เหมือนกันเมื่อเราฟังเสียงอะไรแล้วเราก็ต้องรู้จักยับยั้งชัางใจว่าเสียงก็สัตแต่ว่าเสียงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ เราว่าเสียงที ette, world, ่มากระทบทางหูของเรานั้นมันก็มีทั้งเสียงดีไม่ดีนะให้เราอย่าไปปรุงแสงให้มันเกิดดีไม่ดีหรือว่าไปเกิดชอบชังนี้เราก็รู้ไม่ดีเราก็รู้แต่ว่าเราจะไปปรงแสงให้มันเกิดชอบเกิดชังขึ้นเมื่อเกิดชอกเกิดชังมันก็เป็นอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นเสียงดีเราก็อยากได้เสียงไม่ดีเราก็อยากให้มันออกไปนี่มันก็เกิดทุกข์เกิดโทษอีกเหมือนกันนะเกิดทุกข์เกิดโทษฉะนั้นเราก็ต้องช่างใจเป็นกลางกลางช่างใจเป็นกลางกลา ในเส <ITA> ียงที <Yeah. S 1> <de> ่เราไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเอาสังเกตดูเสียงของเด็กก็ไปอีกอย่างหนึ่งเสียงของคนวัยนมสาวก็ไปอีกอย่างหนึ่งเสียงของคนวัยกลางคนก็ไปอย่างเสียงของหุคนแก่ก็ไปอีกอย่างฉะนั้นจึงไม่มีนักร้องคนใดที่จะมีความดังดังได้ตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งตายหรือว่าอะไรอย่างนี้เสียงจะดีไปตลอดนี่มันไม่มีเสียงมันจะต้องเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนเดิมจะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอันนี้เพราะว่า พึ่งความอันอิจังนั่นเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็บอกแล้วว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนะเราจะต้องไปหลงยึดหลงติดไอ้สิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรมันไม่เป็นที่พึ่งอันปรเนะเสริฐมันไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลยไม่ควรที่เราจะเอามาเป็นที่พึ่งพาอาศัยอะไรได้นะแต่ว่าเราต้องฟังให้เป็นนะต้องฟังให้เป็นและคนเราบางทีจึงหลงไหลไฝฝันกับ ไอสิ่งที่มันเป็นเครื่องปวดลมโรคบางครั้งก็ขอประธานโทษเแทนฟังเพลงแล้วก็มีการร้องเพลงรา่าดบางคนฟังเพลงไอ้ที่มันมีดนตรีเร้าใจก็ไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นปกติของตนได้ก็ถึงกับแหม่เต้นยกเอวยักไหลาสายไปสายมาขอประทานโทษที่เขาเรียกว่าเป็นโรคไอ้เส้นกระตุกเป็นโรคสันนิบาตอะไรอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าขาดความสำรวมระวังไม่รู้จักต้องกันอนะใครเห็นแล้วก็ นาะยรู้สึกว่ามันขวางหูขวางตาฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าไอ้หูนี่เขาจึงเปียบเหมือนกับจระเข้นะจระเข้นั้นอ่นะธรรมดาจระเข้นั้นชอบอยู่น้ำใสๆน้ํำเย็นๆน้ำนิ่งๆนะชอบอยู่น้ำใสๆเย็นๆน้ำนิ่งๆหูคนเราเหมือนกันชอบเสียงใสๆชอบเสียงเพราะชอบเสียงเย็นเย็เราไม่ชอบเสียงกระโชกหักเราไม่ชอบใครมาดุด่าว่าเราเราไม่ชอบแต่ว่าใครมาพูดเพราะกับเรารู้สึกว่าเราชอบอะเราพอใจอะ ฉะนั้นนี่แหละบางครั้งไอ้หูเราก็เหมือนกันมันก็ไปติดนะติดติดจะจนเกิดเป็นทุกข์นะเขาเรียกว่าฟังไม่เป็นนะฟังไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์นะมาในข้อที่สามจมูกในการดมกลิ่นนะจมูกในการดมกลิ่นเป็นก็เหมือนกันกลิ่นก็สัตแต่ว่ากลิ่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะนะจมูกกับกลิ่นนี่เป็นที่สัมผัสกันกระทบกระทั่งกันนะ ระหว่างอาณะภายในกับภายนอกเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่นี้พวกเราก็แสวงหากินกันเมื่อนี่เห็นหนังสือพิมพ์ลงว่ามีพวกคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่พัฒนาการก็ปรากฏว่าคงจะเป็นโรคประเภทที่ว่าเอาเป็นโรคจิตเหมือนเดนะเป็นโรคจิตไปเท่าขโมยพวก เสื้อในกางเกงในอะไรของสุภาพสตรีเอามาสะสมเอาไว้นะอะย่างนี้ก็เป็นโรคกิตอย่างหนึ่งนะคือมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้นี่แหละฉะนั้นก็จึงบอกว่าเพราะเราไม่ไม่รู้จักสภาวะความเป็นจริงนะไม่รู้จักสภาวะความเป็นจริงเขาเรียกว่าใช้จมูกไม่เป็นมันก็เลยเป็นทุกข์ผลที่สุดตํารวจเขาจับได้รู้สึกว่าโอ้โหไปสะสมามาไวเป็นสิบสิบปีเป็นพันพันตัวโอโ้อย่างนี้มันก็ รู้สึกว่าจิตวิปลาดเกินไปวิปลาดมากเกินไปวิป ร, ริตผิดแปลเกินไปนี่แหละพราก็จับได้ก็นะ้าอับอายขายกินหน้าเขาเสียชื่อเสียงวงตระกูลอีกด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าจมูกคนเราคนเราในเขาจึงเปรียบเหมือนกับนกธรรมดานกนั้นก็ชอบอยู่ในอากาศดีๆมันสบายไอ้จมูกคนเราเหมือนกันก็ชอบอยู่อชอบอากาศดีๆแล้วก็นกนั้นบางทีมันก็ใช้ปากมันร้องซี่กครองอยู่ด้วยสุกซายอยู่ด้วย เช็นว่านกเขานกานกเขานกกระทาเนี่ยเวลาเขาขังกรงมันจะเอาจมูกของมัเราะดมซี่กรงอยู่ตลอดเวลาไอ้คนเราเหมือนกันชอบใช้จมูกซุกไซกันอะไรกันสาระเพสารพัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มีสาระไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยอ น, นี่แหละรู้สึกว่าเราเข้าไปติดกลิ่นกันนะไอ้เพราะติดกลิ่นนี่แหละบางครั้งก็เฉิกับการ่าแย่งชิงกัน เก็ฑค่าการทะเลวิวาทกันมีมิใช่น้อยนะมีมิใช่น้อยฉะนั้นจะบอกว่าจมูกบางทีก็อเป็นเหตุนํามาซึ่งทุกข์และโทษได้อีกเหมือนกันในทางลิ้นก็เหมือนกันลิ้นมีหน้าที่ในการลิ้นรถอะไรจะมาเป็นใหญ่ในการลิ้นรถถ้ากับลิ้นไม่มีเจ้าตามาลิ้นรถก็ไม่ได้เอาหูมาลิ้นรถก็ไม่ได้จมูกมาลิ้นรถแทนก็ไม่ได้เอากายมาลิ้นรถก็ไม่ได้ฉะนั้นลิ้นจึงว่าเป็นประสาทที่ สัมผัสกับรสเลหวานมันเค็มทุกรูปแบบนะทุกรูปแบบฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าบางครั้งเราก็ใช้ลิ้นไม่เป็นนะเพราะว่ารสมันก็จับแต่ว่ารสนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยคนสิบคนนั้นชอบไม่เหมือนกันนะก็แสดงว่าไอ้รสนั้นมันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะแต่ถ้าหากว่ามันจีรังยั่งยืนคนร้อยคนก็อาจจะชอบอในอาหารอย่างเดียวอาจจะชอบเหมือนกันได้ว่าอร่อยเหมือนกันได้ แต่นี่มันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนชิมก็แล้วก็รสต่างๆนาน า, นานแล้วบางคนก็ไม่ชอบด้วยอ่า<ม>อย่างท้เรียนเนี่ยบางคนว่าแหมดีมากหอมมากแต่บางคนกลายเป็นเรื่องเหม็นมากอ่า<ม>แล้วไม่ชอบกินกินไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้มันนอนไม่หลับนี่แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาอนะ่มันเป็นอนิจจังทุกพังอ น, นัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่รู้เ ร, รเราไม่ทราบเราจึงเกิดอุปาทานหลงยึดมั่นถือมั่นในในรสพวกนี้ขึ้น เมืติดในรถแน่นอนได้สุดมันก็เกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนให้แสวงหาะ<ม>เกิดความแสวงหาเมื่อแสวงหาไม่ได้ด้วยสุจริตก็หาด้วยทุจริตนี่แหละมันก็เป็นความโลภความเกดความหลงติดตามมาแล้วก็เป็นภัยถึงกระบอกเกิดวิวาสในการตีชิงวิ่งราวหรือว่ามีการฆ่าขันอันนี้ก็มาจากลิ้นก็ไม่ใช่น้อยฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเรารู้จัก สำรวมระวังแน่นอนที่สุดเราก็จะใช้ลิ้นนั้นให้เป็นประโยชน์นะให้เป็นประโยชน์ก็คือว่าในขณะที่ริ้นลิ้นรถนั้นก็คอยสำรวมระวังนะอย่าไปหลงนะอเขาเราก็คือว่าเราพอใจในสิ่งที่เราได้เรามีแม้ว่าเพียงแต่ขอว่าอย่าให้มันสกปรกอย่าให้มันบูดมันเน่าเรากินได้นะเรากินได้เรากินอาหารไว้เพื่อยังร่างกายให้ดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมศึกษาเรียนประธรรมใน ไม่ใช่เราบริโภคด้วยตัณหาบริโภคเพื่อความสวยงามไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นคนที่บริโภคด้วยตัณหาก็คือว่ามีความทุกข์ก็คือว่าเท่าก e ับว่าขุดหลุมฝังตัวเองคนที่กินจุกกินจิดนะ่งกินไม่เป็นเวลาก็คือคนที่สร้างเชิงตะกรอเอาไว้เผาตัวเองนะเอาไว้เผาตัวเองแลนะยิ่งไปกว่านั้นคนที่กินบ่อยๆกินมากแนะ่นอนที่สุดก็คือว่าทําให้เกิดโรคมาก ดังโรคนี้จึงเป็นโรคทางเดินอาหารโรคในกระเพาะมากเหลือากินมากเหลือเกนกระเพาะไอความกินจุกกินจิดกินในเป็นเวลาเวลาแล้วกินมากเกินไปก็ทําให้อึดอัดทําให้ง่วงเหงาเหงานอนเกิดทําให้ท้องอุดท้องเฟ้อกินน้อยเกินไปก็เกิดความกระวนกระวายเกิดความหิวเนี่มันก็เป็นทุกอาจจะเป็นโรคกระเพาะอีกก็ได้ในดะนั้นไอเล้นที่เล้นรสนั้นเราก็ต้องบัญญะบัญญัติให้มันพอเหมาะพอควรนะให้พอดีนะให้พอดีดะนั้น ไอ้ลิ้นที่ไม่พอควรมันก็เกิดทุกเกิดท้อฉะนั้นลิ้นนี่เขากินเปรีเหมือนกับสุนัขบ้านสุนัขบ้านเนี่ยสังเกตดูมันไม่ได้กินของดินะกินได้พวกเศษกระดูกเศษอาหารที่เจ้าของเขากินเนื้อหมดแล้วก็คือสรุปแล้วกินกระดูกก็คือกินน้ํำลายตัวเองให้นคนเราเหมือนกันมันกินน้ํำลายตัวเองนะสังเกตดูข้าวที่เรามาเคี้ยวเนี่ยเอาไว้สักพักหนึ่งเนี่ยพอเรา คายออกมาแล้วมันจะเป็นยางยืดนะแล้วเราจะใส่ปากเข้าไอีกเราก็กินไม่ได้จะเกิดความยายายขยะแขยงขึ้นนันทีฉะนั้นพวกเราก็าเรียกว่าบางครั้งก็ใช้เล้นส์จอพิสดารเกินไปขอประทานโทษที่เขาเรียกว่าไอ้ประเภทชิวหาพาเพลในประเภทนี้มันก็เขาเรียกว่ามันนอกเทธิ์นอกร้อยเกินไปมันก็เป็นทําให้เรานะเกิดความหลงไหลติดคล้ายเป็นตัวสันหาไปนะอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิน่น อยากในการลิ้มรสเนี่ยมันอยากมากเกินไปในข้อกายก็เช่นเดียวกั น, น <ะ S 2> ในข้อกายก็คือว่าในการสัมผัสในการสัมผัสคนเราในร่างกายก็คือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่ม น, นิ่มเอออันนี้เรารู้ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างการสัมผัสมันก็ไม่จีรังยั่งยืนแพอเป็นหนุมเป็นสาวเราก็รู้สึ ก, กว่ามันชอบสัมผัส ด, ดีแต่ว่าพอมันแก่ไปเข้าเราไม่อยากสัมผัสอีกแล้วทั้งๆ ท, ที่คนเดียวกันแหละนะ บางครั้งเราสัมผัสไปสักครั้งสองครั้งแล้วต่อไปเราก็ไม่อยากสัมผัสอีกเนี่ยมันเป็นอไงเนี่ยมันไม่จีรังยัง่งยืนฉะนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเมื่อเราในขณะที่เราสัมผัสถูกต้องเราก็ทําความรู้สึกมีสติสังมรวมระหวังอ่าสัมผัสก็สัจจว่าสัมผัสไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมันเป็นอย่างนี้อ่านะเป็นอย่างนี้อย่าไปหลงไปติดไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันอยู่กับเราไม่ได้นะ เราว่าไอ้สิ่งที่มันอ่อนๆเนี่ยที่นอนที่ว่ามันนุ่มๆมเน้นๆดีต่อไปมันก็ขาดต่อไปมันก็หย่อนนะไอ้ที่มันแต่งปลังเทอะระว่ามันดีอต่อไปมันก็หย่อนยานเป็นรลีวเป็นรอยอกลายเป็นว่าไหวตกกระไฟก็มีเรียกว่าเอามือไปสัมผัสเอาตัวไปถูกเขาก็แหมคายกรากเลยเหมือนกับถูกกระดาษทรายหรือเหมือนกับเดินบนลูกรางก้นตรวอย่างไนก็อย่างนั้นดฉะนั้นไอ้ร่างกายที่เราได้สัมผัสกันนี่ก็ท่านบอกว่า เปียบเหมือนกับสุนัขป่าธรรมดาสุนัขป่าเนี่ยชอบนอนตำหลมประชาผีดิบหลงระช้าผีดิดบเพราะมันมีไออุ่นอยู่คนเราเหมือนกันชอบนอนกอดกันนอนเหยียดกันนอนรัดกันก็คือนอนกับผีดิบนั่นเองนะแต่เป็นผีดิบที่เดินได้ยิ้มได้พูดไดนะ้ที่จริงๆร่างกายของเราเนี่ยมันเหม็นสาบเหม็นสางมากมันไม่ได้หอมได้เหอไม่ไดหรอกไอที่เราว่าหอมนะ่ยมันหอมอย่างอื่นหอมแป้งหอมน้ำหอมอะไรที่เขามาหลอกเรามันดักให้เราติดหลงติดหลงอะไรหลงยึดมั่นถือมั่นกันจริงๆแล้วมันเหม็นตรงนั้น เราต้องไม่อาบน้ําอาบท่าวันหนึงเนี่ยตโถ เ, เราจะเหม็นเหลือกเกินไอ้ตาว่าสวยก็มีแต่ขี้ตาหูว่าสวยก็มีแต่ขี้หูจมูกว่าสวยก็มีแต่ขี้มูกปากก็สวยก็มีแต่ขี้ฟันขี้ปากโอ้ยมันไม่มีอะไระที่จะน่าดูน่าชมเลยดังนั้นเราก็ต้องวางใจเป็นกลางสํารวมระวงังนะวางใจเป็นกลางสํารวมระวงังในข้อสุดท้ายใจใจมีหน้าที่ในการนึกคิดไอ้สิ่งที่นึกคิดนั้นไม่มีอะไรจะมาเทียบเท่ากับใจใจจึงเป็นใหญ่ในการนึกคิดในอารมณ์ต่างๆอถ้าคิดดีก็ ดีไปคิดชั่วมันก็จะทําให้ใจตกตํามเดือดร้อนกระวนกระวายอ่าคิดดีถ้าเป็นไปในทางที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหามันก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อใจนึกคิดอะไรเราก็ต้องสํารวมระวังเพราะใจของคนเราน่ยมันยิ่นวนกอดแฝงอยู่ตลอดเวลาแสไปในอารมณ์ต่างๆแม้วโบยมากก็มักจะคิดไปในทางที่ต่ําเหมือนกับน้ําย่ำไหลลงที่ต่ำนี่เป็นธรรมชาติใจก็เหมือนกันย่อมคิดในทางที่ต่ำฉะนั้นใจของเราจะขึ้นสูงได้นั้นเราก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจ นะยับยั้งชั่งใจนั่นต้องรู้จักห้ามใจนะปลาที่ว่ายตามน้ำนั่นคือปลาตายปลาที่ว่ายทวนน้ำนั่นคือปลาเป็นคนเราถ้ารู้จักฝืนใจทวนกระแสจใจนั่นแหละคือคนเป็นไอคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองนั่นแหละคือคนตายว่าที่มันขึ้นสูงได้เพราะมันฝืนลมมันต้านทานลมว่าวเ่าที่มันขึ้นสูงไม่ได้ก็เพราะสายมันขาดมันก็ลอยตามลมไปลงติดน้าติดต้นไม้ ใจของคนเราเหมือนกันจะขึ้นสูงได้แนละต้องฝืนจิตฝืนใจต้องฝืนความรู้สึกฝืนกระแสของโลกมันจึงจะขึ้นสูงได้แต่ถ้าใจของคนที่ทําอะไรตามใจอำเภอใจก็เหมือนกับว่าวที่มีสายขาดย่ํำลอยไปตามลมไม่มีทิศทางก็อาจจะไปติดน้ําติดไหลก็ขาดก็พังก็ย่อยยับไปฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พูดถึงเรื่องอ า, า, ร า, ายรนะภัยใน6กตาหูจมูกเลี้ยงกายใจและอายรนาภายัยนอกหกคือโรคเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมรมต่างๆ ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก่็น้อยฉะนั้นการที่ให้เราได้รู้จักสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมตตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกตรงเปลี่นลิ้น ย, ย, ยิ้มลดกายูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆอถ้าหากว่าเรามีความสํารวมระวังเราก็จะมีแต่ความสุขอความทุกข์ก็จะไม่มีเลยฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงนึกอยู่เสมอว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียดบ้าง น, นั่งนอนสบาย แต่ถ้าหากว่าใครไม่รู้จักปิดหูปิดตาปิดตากปแล้วเราก็จะนั่งนอนเป็นทุกข์นะจะนั่งนอนเป็นทุกข์ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาณนะภายในอายนะภายนอกมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร